เพราะอากุศลธรรมมันโตเต็มที่เลยนะตอนนั้นอ่ะนะตอนที่กุศลบอกว่าพอแล้วกุศลแค่นี้พอแล้วนั่นแหละแสดงว่าอากุศลเนี่ยยึดครองธทำเนียบเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องหมันมันพยายามทบทวนเนี่ยให้กุศลธรรมขึ้นเพราะเราก็ต้องหมันมาตรวจสอบว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยกุศลธรรมจเจริญขึ้นขนาดไหนอ่ะนะคือคือเรียกว่าเอาประสบะการณ์ครั้งก่อนเนี่ยที่มันมันเคยมีอยู่ในใจของเราแล้วเนี่ย มันมันโตขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะมันโตขึ้นมากไหมนะบอกแม้ถ้าทิดปีต่อปีเนี่ยมันมันดูจะนานไปหน่อยนะถ้าเอาปีหนึ่งมาทบทวนทีหนึ่งเขาบอกมันนานไปหน่อยมันก็มีใจอยู่คนละใจเนี่ยนะทจริงๆก็ไม่น่าจะให้มันนานขนาดนั้นก็เอาแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยมาวัดดูเป็นยังไงอาทิตย์นี้เจริญกว่าอาทิตย์ก่อนๆอย่างไรเนี่ยนะทีนี้ถามว่าอันแล้อาทิตย์หน้าต่อไปเนี่ยมันจะให้เจริญอะไรบ้างหรือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเจริญอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน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 ถ้าไมมประเภทประเภทนี้ก็แปลว่าไม่ตกต่ำไม่จนตกต่ำนะแปลว่าเผาไหมอ่ะนะไหมจนเผาเกรียมแห้งแรงเพราะไม่ขึ้นเจริญไม่ได้นะนก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะนักวกุทธธรรมเหล่านี้จะต้องเป็นลักษณะวิเศษภารยะซึ่งจะเรียนต่อไปข้างหน้าแต่ตรงวิเศษภาคยิเป็นต้นเนี่ยพวกนั้นท่านใช้กับฌาน เน่ท่านใช้กับฌานซะส่วนใหญ่ท่านไม่ได้มาใช้กับกุศลธรรมล่างๆก็ถือว่ากุศลธรรมล่างๆสมัยพุทธกาลท่านบอกว่าโอ้เยมันเด็กๆขนาดนั้นว่างั้นของเราเนี่ยเด็กของคนสมัยนั้นเนี่ยนะแต่เมื่อกี้บอกโอ้ยน้องบัวมาสวดมนต์เนี่ยอายุหกเจดขวบบอกเก่งจางบอกนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกด้วยนะเนั่ยนะไม่ใช่ว่าไปซะบ่อยๆอยู่ในวัดเลยไม่ใช่เจ็ดขวบท่านก็สมัยนั้นเนี่ยนะอย่าไปคิดแบบเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบนี่ก็ แก้ัที่เดรัตถีได้แล้วเพราะฉั้นนะสมัยพุทธกาลนะย้อนกลับมานะว่าการเจริญกุศลธรรมก็คือให้กุศลธรรมทั้งหลายไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันให้กุศลธรรมทั้งหลายอนะที่ประกอบด้วยศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยทํากิจอย่างเดียวกันและที่สําคัญก็คือการนําความเพียรเพื่อเข้าถึงธรร ม, มะนั้นนั้นนะําความเพียรให้เข้าถึงธรร ม, มะนั้นๆแล้วก็ กุศลธรรมเหล่านั้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เมื่อกุศลธรรมเหล่านั้นเจริญได้บ่อยเจริญได้มากก็เสพให้มากเลยนะคืออย่าให้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอย่างหลายคนบอกว่ า, วากุศลธรรมเนี่ยเขาเกิดเกิดแค่ครั้งเดียวก็ดีใจจนดีใจมากจนไม่เจริญต่อไปเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องให้เจริญได้บ่อยๆทยํายังไงกุศลธรรมเหล่านั้นอะอาเสวิตายะพาวิตายะภะหุลิกตายาณีกตาญาวัตุกตายะ แบบที่เราสวดอา น, นิสงค์ของเมตตาว่าเมตตา น, นะเมตตาอัปเจโตวิมุตติบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะทำให้เป็นวัตถุทําให้เป็นยานทําให้เป็นที่ตั้งเนี่ยนะย่อมเอกภาษานนสังสาได้อา น, นิสงส์สิบเอประการหรือได้กําไรงามๆ1ิประการเนี่ยนะเช่นหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นต้นเนะ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 กุศลของบางคนเนี่ยใกล้ต่ออุทะจรกุศลของบางคนใกล้ต่อวิจิกิจชักบางคนใกล้ต่ออวิชชาบางคนเนี่ยใกล้จะเลิกเรียกว่าอารติเนี่ยนะเจริญไปเรื่อยๆแต่เกือบเลิกไปแล้วเนี่ยเรียกว่ากุศลประเภทอารติก็ต้องมาดูว่าประเภทนั้นตกต่ำแล้วนะแล้ก็ต้องดูว่าทํำยังไงที่มันกุศลธรรมที่ไม่อิงไปในการมาฉันทะกุศลธรรมที่ไม่อิงไปกับพยาบาทกุศลธรรมที่ไม่อิงไปหา ทีนมิท้าเป็นกุศลที่ไม่อิงไปหาอุทจักกุกุจักไม่อิงไปหาวิจิกิจามไม่อิงไปตามอวิชชาแล้วแล้วก็เป็นกุศลธรรมที่ยินดีในกุศลธรรมที่เรียกวารติเนี่ยนะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนะที่ได้ยินบ่อยๆว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงก็คือ ความยินดีในกุศลธรรมนั่นแหละชนะความยินดีทั้งปวงเลยนะทำยังไงให้ใจยินดีกับภาวนาเนี่ยนะให้ใจยินดีไปกับกุศลธรรมเหล่านี้เพราะว่ากุศลธรรมที่เรียกว่าภาวนาตรงนี้เนี่ยเป็นการเจริญตามอริยวงเพราะว่าพระริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านละกามฉันทะได้เนี่ยท่านดีใจเมื่อเจริญเนคข ม, มะได้ท่านก็ดีใจเนี่ยนะท่านละพยาบาทออกไปท่านก็ดีใจ ท่านเจริญความไม่พยาบาทได้เท่าใดท่านก็ดีใจท่านละผีนะมิ t h ะได้เท่าใดท่านก็ดีใจท่านเจริญอาโลกสัญญาได้เท่าใดท่านาก็ดีใจท่านละอุทะจะท่านก็ดีใจเจริญความไม่ฟุ้งซ่านท่านก็ดีใจละวิจิกิจฉาได้เท่าใดท่านก็ดีใจกําหนดแยกแยะกุศลธรรมได้เท่าใดท่านก็ดีใจละอวิชาได้ก็ดีใจเจริญขึ้นแห่งปัญญาทั้งหลายก็ดีใจถ้าหากว่า ใครที่ยินดีในการละอกุศลยินดีในการเจริญกุศลนะที่ที่ใจของตัวเองเนี่ยนะน้อมว่ากําจัดอกุศลได้ไปเท่านั้นแล้วก็ดีใจกุศลเพิ่มพูนเท่านั้นขึ้นเท่าใดก็ดีใจขึ้นเรื่อยๆ พ, อพวกนี้ก็เรียกว่าอริยะวงก็คือตระกูลของพระอริยะเนี่ยนะเป็นลูกหลานเผ่าพันุ์สายของพระอริยเจ้าเนี่ยนะก็ต้องก็มาสอบถามเราว่าเราเนี่ยอยู่วงไหนมั้งนั้นนะนะ่ะ วงเนี่ยแปลว่าวงตระกูลอ่ะนะวงตระกูลตระกูลไหนอ่ะนะตระกูลพราอริยะก็ยินดีในการละอกุศลยินดีในการเจริญกุศลกุศลเจริญเท่าใดก็ดีใจขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าอยู่วงอื่นก็บอกว่าอากุศลโตเท่าไหร่ดีใจขึ้นเท่านั้นกุศลลดลงเท่าไหร่ก็ดีใจอันนั้นก็วงของอนาริยะชนเนี่ยนะ เป็นวงของอนาระยะไม่ใช่วงของพระอริยะเป็นวงของปุตุชนเพราะว่าปุตุชนนั้นบอกว่าช่วงไหนการมาฉันท์ถ้าไม่ค่อยเกิดชีวิตมันช่างแหงแรงแพ้เขาว่ากันอนี้นชีวิตช่วงไหนที่อะไรนะคือคือปกติแล้วปุตุชนทั้งหลายมีความสุขกับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเช่นก็มีความสุขกับการมาฉันท์ถ้ามีความสุขกับความพยาบาทถ้าถามว่าเออแล้วคนมีความสุขกับความพยาบาทหรือจริงๆแล้วคนนี่มีความสุขกับความพยาบาทไหม ถ้าหากว่าไม่มีความสุขกับความพยาบาทนะกีฬามวยเป็นต้นมันขายไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามีความสุขกับความพยาบาทนั่นะแหละจึงชอบดูมวยกีฬาตะกูลที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะอันนั้นแหละก็คือแสดงว่าใจยินดีกับพยาบาทเนี่ยนะนะใจยินดีกับโทสะฉะนั้นะนะจึงชอบดูไก่ที่มันโน่นจิกมันตีกันเนี่ยนะนะนะก็คือชอบดูที่ที่อะไรว่าชอบดู การทะเลาะเบาะแหว่งกันก็แสดงว่าใจนั้นยินดีกับพยาบาลถ้าใจยินดีกับการมาฉันทาก็ยินดีกับความเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยนะแล้วก็ยินดีในถีณมิทาเนี่ยนะยินดีในถีณมิทะยินดีในอุทธจักกุกุจจะยินดีในความฟุ้งซ่านเนี่ยนะยินดีในความฟุ้งซ่านยินดีในความคิดไปเรื่อยแล้วก็ยินดีที่จะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงมั้งแล้วคนชอบฟังด้วยนะ ถ้าทําไม่ดีจริงมั้งถ้าทําผิดพลาดอย่างนั้นแล้วเรื่องไม่ก็คนนั้นอ่ะเลวมากเนี่ยนะสงสัยในพระสงอ์พระสององค์นั้นไม่ดีจริงมั้งโอ้ชอบมากหาขุดคุยใหญ่เลยเนี่ยนะเพื่อจะได้ข้อมูลเลวๆแบบนั้นอ่ะมันก็แสดงว่าใจยินดีกับความเลวร้ายเมื่อใจยินดีกับความเลวร้ายแล้วประกาศตัวว่าฉันคือคนดีดีตรงไหนอ่ะนะก็ดีมีฝักเดียวอ่ะกันดีแล้วมันยังไม่สร้านถ้าดีสร้านก็ลาบาก แล้วก็มันเมื่อใจยินดีกับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายใจมันก็ไม่เจริญในกุศลอยู่แล้วเนี่ยนะเพราว่าถ้าใจใดที่ยินดีในบาป น, นะยินดีในอกุศลธรรมใจเหล่านั้นก็ไม่ใช่ภาวนาเนี่ยนะใจใดที่ไม่ยินดีในบาปใจใดที่ยินดีในกุศลธรรมยินดีในความเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปใจเหล่านั้นก็เป็นใจที่ยินดีในภาวนาใจที่ยินดีในภาวนาเนี่ยนะฐานรองรับทั้ง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 มันใกล้ต่อเหตุให้เสื่อมเนะก็ดูว่าไอ้ตัววิตกเนี่ยนหละถ้ายังมีวิตกอยู่นะถ้ายังตรึกอยู่ไอ้วิตกมันไม่ใช่ว่ามันตรึกไปเรื่องบุญอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันก็ไปตามมาวิตกเดี๋ยวมันก็ไปพยาบาทวิตกเดี๋ยวก็ไปวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นกุศลวิตกนี่ต้องละนะแต่จึงจึงน้อมไปเพื่อเห็นโทษของกุศลวิตกก็เลยละกุศลวิตกนี้ขณะที่ละกุศลวิตกได้เนี่ยจะต้อง สร้างฐานแห่งกุศลให้มันยิ่งใหญ่จนถึงขนาดว่าไม่มีมิตกก็อยู่ได้นนะจะต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะคว่าตัดพนักงานจุนจ้านออกไปเนี่ยนะมันก็แล้วถามว่าจะต้องแข็งแรงขนาดไหนจึงกระตัดพวกจุนจ้านออกไปได้ทั้งๆที่เขาก็คนดีนะอย่างกุศลวิตกนี่ก็ดีนะขยันด้วยดีด้วยแต่ว่ามันชอบหาเรื่องนะนะมันชอบไปถ้าถ้าดูแลไม่ดีเดี๋ยวก็ไปหาเรื่องมาจนได้ ไปหาการมวิตกไปหาพยาบาทวิตกเดี๋ยวก็ไปหาวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นออกไปเนี่ย น, นะเครียก ว, ว่าตัดกุศลออกไปแล้วเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพแห่งวิตกวิจารเพิ่มประสิทธิภาพแห่งปีติสุขเอกคตาเพิ่มประสิทธิภาพของศรัทธาวิริยะเพิ่มเพิ่มพะละเพิ่มอินทรีย์เพิ่มกุศลธรรมให้มันแข็งแรงจนถึงกับตัดพนักงานคือวิตกออกไปบอกจุนจา้านนะักไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทล่มจมว่างั้นไอ้ตัวนี้แหละที่จะทําให้เสรความ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 เพราะปีติอันนี้เนี่ยเพราะการรมทั้งหลายมันก็ยังมีปีติเป็นต้นก็มุ่งที่จะละปีติออกไปเนี่ยนะถ้าละปีติได้สําเร็จเนี่ยจะต้องมีกุศลธรรมรองรับตัวเองอีกขนาดไหนอ่ากุศลธรรมแต่ละตัวนี่จะมั่นคงและแข็งแรงขนาดไหนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยปีติฉะนั้นคนที่เกียรติกันปีติอยู่แต่สุขอย่างเดียวโดยที่ปราศจากปีติได้พระอริยะสรนเสริญมากว่าคนเนี้มีสติอยู่ด้วยสัมปชัญญะ มีสติสัมปชัญญะดีมากจึงกันอกุศลออกไปได้เออข้อไปจึงกันปีติออกไปได้อยู่แบบมีความสุขโดยไม่ต้องมีปีติเนี่ยนะถือว่าเก่งมากเกียกร์กันออกไปเรียกว่าเกียร์การปีติออกไปได้เสร็จแล้วถ้าบอกว่าระดับสูงก็อไปอีกบอกแม้มันยังมีความสุขการทั้งหลายมันก็ยังสุขอยู่นะเพราะฉะนั้นจะขจัดความสุขออกไปได้อย่งไรก็เกียร์กันความสุขออกไปอีก ถ้าเกียรติการความสุขออกไปได้นั้นก็ก็สําเร็จจตุทัชฌานนะนะก็สําเร็จจตุทัชฌาน <S <S <ess> ก็คือแต่เป็นอัปปนาและกุศลธรรมแต่ละตัวเนี่ยมหคตะที่ที่แข็งแรงมากมีพละมากมีกําลังมากอินทรียพละโพชฌงเนี่ยแต่ละตัวนี้แข็งแร ง, งจริงๆจึงจะเรียกว่าตัดตัดอะไรนะเริ่มมันถูกกัดออกไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนแรกก็ตัดวิตกวิจารตัดปีติตัดความสุขเหลืออุเบขาเนี่ยนะเหลืออุเบขา